บทความเรื่องคุณลักษณะพิเศษของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพปัตตะถาของศาสตราจารย์กิติคุณแสงจัน ง, งามในการบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์สุชีปุญญานุภาพวันพระรหัสสดีที่25พิพฤษภาคมพุทธศักราช2543หน้าสาณศาลากวีนิรมิตวัดเทพสิรินทราวาสจากนิตยาสารธรรมจักสุ